มาถึงวิธีการเลิกบุหรี่ของผมนะครับอันดับแรกก็คือการโปรแกรมจิตใหม่ทั้งหมดโดยยืดเวลาสิ่งที่เคยชินออกไปเรื่อยๆคนติดบุหรี่เนี่ยมาเกิดจากการสูบทันทีหลังอาหารหรือเข้าห้องน้ำมันเป็นสองเวลาสำคัญที่ภาวะจิตกับสมองจะเสพติดอะไรได้ง่ายมากหลายคนที่สูบแล้วไม่ติดนอกจากเพราะไม่มีวิบากกาวจากชาติก่อนให้ติดง่ายก็เกิดจากไม่เคยสูบหลังอาหารและไม่สูบตอนเข้าห้องน้า แต่ถ้าลองมาสูบสองเวลานี้ประจําเมื่อไหร่นะครับผมเห็นมาเยอะละติดแงกทุกรายแต่มักจะปากแข็งบอกว่าไม่ติดแต่ดูดตลอดแต่บอกว่าไม่ติดการหักดิบเลิกกระทันหันอาจส่งผลเสียหายหลายด้านนะครับวิธีค่อยเป็นค่อยไปน่าจะช่วยให้ได้ผลดีกว่าในระยะยาวเริ่มต้นด้วยยืดเวลาสูบบุหรี่หลังอาหารทุกมื้อกําหนดหให้นายตัวไปเลยนะครับว่าจะเอาวันละเท่าไหร่เช่นวันแรก หลังอาหาร3มนาทีแล้วค่อยสูบบุหรี่แล้วก็ทําอย่างเนี้ยทั้งวันสามือ้อวันที่สองก็ยืดเวลาเป็นห้านาทีแล้วค่อยสูบบุหรี่วันที่สามหลังอาหารยืดเวลาไปสินาทีแล้วค่อยสูบบุหรี่แล้วก็ยืดไปเรื่อยๆทุกวันจนเป็นเว้นเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงหลังอาหารและอย่าสูบบุหรี่หมดมวลเด็ดขาดนะครับให้ดูดสักครึ่งมวนแล้วพอแล้วเก็บไว้สูบครั้งต่อไป การเก็บไว้สูบต่อกับเว้นเวลาหลังอาหารจะทําให้บุหรี่ไม่อร่อยสูบแล้วไม่ชื่นใจทําแบบเนี้ยไปเรื่อยๆจนถึงขั้นสูบวันเว้นวันจนถึงไม่สูบเลยเป็นสัปดาห์น่าจะทําให้หลายคนเลิกบุหรี่ได้ง่ายขึ้นเป็นการป้อนข้อมูลด้านลบให้จิตใต้สํานึกเรื่อยๆนะครับเมื่อสูบทุกครั้งมันไม่ชื่นใจไม่อร่อยวันหนึ่งมันจะรู้สึกเองว่าแล้วกูจะสูบไปทําไมวะเนี่ยที่มันติดอยู่ทุกวันเนี่ย ก็เพราะกินข้าวปุ๊บสูบปั๊บมันอร่อยไงมันเลยหวยหาคิดว่าสิ่งนี้เป็นความสุขความจริงไม่อยากบุหรี่ลองหายใจลึกๆนะครับและจินตนาการพ่นลมเห็นกลุ่มควันลอยออกไปจะรู้สึกสบายใจทดแทนการสูบบุหรี่ได้ระดับหนึ่งวิธีเลิกบุหรี่แนวนี้ไม่ได้มีอะไรยุ่งยากและน่าจะเหมาะกับทุกคนด้วยนะครับร่างกายเคยรับนิโคตินทุกวันอยู่ดีไปหักดิบ มันประท้วงเจ็บป่วยเอาได้นะครับดังนั้นการทยอยเลิกทีละน้อยยืดเวลาสูบหลังอาหารไปเรื่อยจนเลิกสูบได้จะเป็นวิธีที่น่าจะโอเคที่สุดซึ่งได้ผลอย่างมั่นคงกับผมมาแล้วอีกปัญหาของคนเลิกบุหรี่ไม่ได้คือจิตได้สำนึกไม่ยอมรับชอบหลอกตัวเองว่าไม่ติดหรือติดแล้วไม่เสียหายอะไรมันจะมีข้ออ้างเสมอล่ะครับเพราะเสพติดมานานไม่อยากพลากสุขปลอมๆที่เคยได้เสพเป็นประจํา จึงไม่มีกําลังใจพอที่จะเลิกหรือทำตามขั้นตอนการเว้นหลังอาหารได้อย่างจริงจังดังนั้นเราต้องแก้ด้วยการโปรแกรมจิตเสริมเข้าไปโดยหาเวลาทําสมาธิสวดมนต์หรือนั่งฟังเพลงบรรเลงเบาๆพอจิตสงบลองหลับตาจินตนาการย้อนคิดถึงตอนเราเป็นเด็กเล็กเรามีความสุขแค่ไหนถามใจตัวเองว่าเมื่อก่อนไม่มีบุหรีเรามีความสุขกว่าตอนนี้ไหมมีเงินเหลือเยอะกว่าตอนนี้ไหม สบายกัาตอนนี้ไหมการทำอะไรก็ตามถ้าให้ใจสงบเล็กน้อยแล้วถามตัวเองบ่อยๆมันจะมีคำตอบให้ตัวเองได้วันหนึ่งครับจิตจะเห็นชัดว่าทำตัวแบบไหนมีสุขมากกว่าและทุกครั้งที่คุณจะเสพอะไรบูรี่เกมหรือละครอย่าไปบังคับจิตว่าต้องเลิกแต่ให้ถามตัวเองบ่อยๆทั้งก่อนทำขณะทำหลังทำว่าทาแล้วได้อะไรดูแล้วได้อะไร เล่นแล้วได้อะไรเป็นสุขจริงไหมเสียเวลาหรือเปล่ามีอะไรดีกว่านี้ไหมดีจริงหรือเปล่าและอนาคตของเราละ่ะหรือหาโทษของมันมาคิดถึงมาพิจารณาเรื่อยๆสักวันคำตอบมันจะผุดขึ้นมาเองแล้วเราจะเลิกหลงไหลกับสุขจอมปลอมเหล่านี้ได้ง่ายแถมเกิดภูมิคุ้มกันไม่กลับไปหมูเมาอีกครั้งได้มันคงขึ้นเทคนิคการเลิกบุหรี่แบบนี้ ผมเองก็เอามาใช้ในการเลิกเล่นเกมแล้วก็ใช้ปรับในการเลิกเรื่องอื่นๆได้ด้วยนะครับคนเลิกบุหรี่ได้จะพบว่าการเลิกเหล้าเลิกการพนันการห้ามใจเรื่องอื่นจะเลิกง่ายขึ้นตามลำดับการติดบุหรี่ก็คือกิเลสการเลิกบุหรี่ได้คือการปฏิบัติธรรมอย่างหนึ่งที่พิสูจน์ได้ว่าเราชนะกิเลสแบบหยาบได้แล้วซึ่งมีผลต่อสุขภาพกายและใจทันทีสารพัดสารพิษเป็นพันชนิด ที่ทำร้ายให้ร่างกายเจ็บป่วยทําให้แก่เร็วก่อโรคมากมายอย่ามัวแต่กล่าวธรรมะร่างปรูแต่ยังดูดบุหรี่ควันฉุยคนสูบบุหรี่เป็นสิ่งน่ารังเกียจในสังคมนะครับแถมยังส่งผลทําลายสุขภาพคนรอบข้างด้วยคุณเดินสูบไปเนี่ยคุณเชื่อไหมคนเขาด่าคุณไปตลอดทางอะ่ะคนที่เขาไม่สูบเขาเหม็นเขาก็บน่นอดสาบแช่งคุณไปไม่ได้และคิดดูคุณสูบทุกวันคนสาบแช่งทุกวัน วันหนึ่งกี่คนนับไปปีหนึ่งกี่ร้อยคนโดนสาบแช่งซวยทั้งปีจะพิจารณาด้านไหนนะครับบุหรีก็มีแต่ข้อเสียมหาศาลแต่ก็แปลกนะสินค้าทำลายชีวิตคนได้ขนาดเนี้ยกลับถูกกฎหมายน่าแปลกนะครับบุหรีเนี่ยหาประโยชน์ไม่ได้เลยผมก็หาคำตอบไม่ได้เหมือนกันว่ารัฐบาลเอาเงินมารณรงค์ให้คนเลิกบุหรีผมว่าปิดโรงงานผลิตบุหรีง่ายกว่าป่ะ มันง่ายกว่าเยอะอะ่ะจะอ้างอะไรก็อ้างไปเถอะก็ของมันไม่ดีของมันทำลายสุขภาพคิดบวกลบคุณหารกันแล้วคุณทำกฎหมายไปเลยว่าลงทะเบียนคนสูบบุหรี่วันนี้ปีนี้มีคนสูบบุหรี่เท่าไหร่แล้วต่อไปนี้เด็กรุ่นใหม่ห้ามสูบใครสูบผิดกฎหมายเท่ากับเสพยาอีแค่เนี้ยรับรองได้คนสูบบุหรี่จะหายไปจากประเทศไทยทั้งหมดเหลือแต่คนสูบเก่าๆเราก็ผลิตให้เฉพาะคนรุ่นเก่าๆสูบ แล้วก็บำบัดจนกว่าเขาจะเลิกได้แค่นั้นเองดูแล้วมันก็ไม่ได้ยากอะไรแต่ไม่ทากันเองสิ่งชั่วๆล่ะถูกกฎหมายได้เออแปลกเนาะประเทศไทยโลกมนุษย์